พระสุตตันตปิฎกอังคุตรานิกายหมวดที่แสดงหลักธรรมเป็นจำนวนเอกานิบาตชุมนุมธรรมะที่มีหนึ่งข้อแบ่งออกเป็นหกหมวดคือหนึ่งเอกธรรมะที่ปาลิว่าด้วยธรรมะเอกเช่นจิตที่อบรมแล้วนำประโยชน์ให้มหาศาลจิตที่ไม่อบรมเปลี่ยนเป็นไปเพื่อความชิบหายอย่างมหาศาลเป็นต้น 2. เอก บ, บุคละปาลิว่าด้วยบุคคลที่เป็นเอกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเอกบุคคลในโลกการปรากฏขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหาได้ยากเป็นต้น 3. เอตทัทธัคคปาลิว่าด้วยความเป็นเลิศของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ที่พระพุทธเจ้าส่งยกย่องตามความรู้ความสามารถความประพฤติและความถนัดต่างๆกันออกไป 4. อัถนะปาลิว่าด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นชอบจะฆ่าบิดามารดาเป็นต้น 5. อัปราเอกะธรรมมาทิปาลิ ว่าด้วยธรรมะเอกอีกหมวดหนึ่งเพิ่มเติมจากที่ประมวลไว้ในข้อหนึ่งข้างต้นหกปัสสาทธะกรัธรรมะทิปาลิว่าด้วยธรรมะที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสเป็นต้นเรื่องที่น่าสนใจในเอกนิบาดนี้คือเอตะทะะัคคะหรือความเป็นเลิศทางด้านต่างๆของเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้า สำหรับการจัดทำเป็นเสียงอ่านนี้ขออนุญาตยกบทความนี้ไปเนื่องจากอัดเวลาในพระไตรปิฎกฉบับประชาชนท่านผู้สนใจสามารถโหลดมาฟังได้นะครับซึ่งจะมีทั้งเอตะทักคะฝ่ายภิกษุฝ่ายภิกษุณีฝ่ายอุบาสกและอุบาสิกาที่มีความเลิศในด้านต่างๆกันไปนะครับทุกกะนิบาท ประชุมข้อธรรมะสองอย่างโดยในต่างๆขอนำลงมาไว้เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาดังต่อไปนี้ความเพียรที่ให้สำเร็จผลได้ยากสองอย่าง 1. ความเพียรของข้ารือหัดเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่สความเพียรของบรรพชิตเพื่อละกิเลสทั้งปวงสิ่งที่ทำให้เดือดร้อนสองอย่าง 1. กายยทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตที่กระทำไว้ 2. กายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตที่ไม่ได้กระทำไว้ธรรมะที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อบรรลุผลที่ต้องการสองประการ 1. ความไม่พอใจในการทำความดี 2. ความภาคเพียนไม่หยุด ธรรมะคุ้มครองโลกสองอย่างหนึ่งิริความละอายใจในการทำบาป 2. โอตัปะความเกรงกลัวผลของการทำชั่วพลังสองอย่างหนึ่งปฏิสังขาณภพระพลังคือการพิจรารณา 2. ภาวนาพระพลังคือการฝึกฝนตน เหตุที่ทำให้พระสัตรธรรมหรือพระศาสนาเสื่อม 1. ยกบทพยัญชนะผิด 2. อ, อธิบายความหมายผิดคนผ่านสองจำพวก 1. ทําทำผิดแล้วไม่รู้ว่าตนผิด 2. เวลาคนอื่นทำผิดแล้วขอขมาไม่รับขมา คนกล่าวตู่พระตถาคตสองประเภท 1. ทำคิดชั่วร้ายคือจ้องหาทางจะทำลาย 2. คนที่ศรัทธาเลื่อมใสแต่ถือเอาผิดเรียนผิดปฏิบัติผิดภูมิของคนดีสองอย่าง 1. กระตันยุตารู้บุญคุณผู้อื่น 2. กระตะเวทิตาตอบแทนคุณผู้อื่น คนสองจำพวกวิวาดด้วยสาเหตุต่างกันหนึ่งคารืหัดวิวาทกันเพราะเรื่องการม2บรรพชิตวิวาดกันเพราะเรื่องทิฏฐิหรือความเห็นบริษัทสองในยะที่หนึ่งบริษัทตื้นกับบริษัทลึกในยะที่สองบริษัทกากากับบริษัทหัวกะทิในยะที่สาม บริษัทที่แนะนำได้ยากกับบริษัทที่แนะนำไม่ยากสุขสามอย่างในยะที่หนึ่งที่อสุขสุขของเขา้าฤหัสกับปัปพัชชาสุขคือสุขของบรรพชิตในยะที่สองกามสุขสุขในกามกับเนคขมสุขสุขในการออกจากกามในยะที่สาม กายสุขสุขทางกายกับเจตสิกะสุขสุขทางใจคนพานสองอย่างหนึ่งผู้นำภาระที่ยังไม่มาถึง 2. ผู้ไม่นำภาระที่มาถึงแล้วบุคคลหาได้ยากสองจำพวกในยะที่หนึ่งบุพการีผู้ทำอุปการะก่อน กับกตันยูกตตะเวทีผู้รู้คุณแล้วตอบแทนในยะที่สองติดโตผู้อิ่มแล้วกับตับเปตาผู้ยังคนอื่นให้อิ่มด้วยติดการนิบาทประชุมข้อธรรมะสามอย่างขอยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้ลักษณะนคนพานสามอย่างในยะที่หนึ่งคิดชั่ว พูดชั่วทำชั่วในยะที่สองตั้งคำถามโดยไม่แยบคายแก้ปัญหาโดยไม่แยบคายไม่อนุโมทนาปัญหาที่เขาแก้แล้วคุณสมบัติของพ่อค้าที่ดี 1. ตาดี 2. ฉลาด 3. รู้จักคนกว้างขวางบุคคลสามจำพวก ในยะที่หนึ่งคนมีใจเป็นแผลคนมีใจเหมือนสายฟ้าคนมีใจเหมือนเพชรในยะที่สองคนไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้คนควรครบควรเข้าใกล้คนควรเข้าใกล้ควรคบควรสักการะในยะที่สามคนปากเหม็นคนปากหอมคนปากหวานในยะที่สี่ คนตาบอดคนตาเดียวคนสองตาในยะที่ห้าคนปัญญาคว่ำคนปัญญาเหมือนชายพกคนปัญญามากบิดามารดามีสามฐานะหนึ่งเป็นพรหมของบุตรสองเป็นบุรพาจารย์ของบุตรสเป็นอาหุนในยะบุคคลหรือเป็นอรหันต์ของบุตร กิเลสมีโทษต่างกันสามอย่างหนึ่งราคะมีโทษน้อยคลายช้า 2. โทสะมีโทษน้อยคลายเร็ว 3. โมหะมีโทษมากคลายช้าหน้าที่รีบด่วนของภิกษุเทียบหน้าที่ของชาวนาสามอย่างหนึ่งสมทานในอธิสีลสิกขา เทียบกับชาวนาปลาพื้นนาให้เรียบ 2. สมาทานในอธิจิตตสิกขาเทียบกับชาวนาหวานพืช 3. สมาทานในอธิปัญญาสิกขาเทียบกับชาวนาไค่น้ำออกเมื่อน้ำมากเกินสูบน้ำเข้าเมื่อน้ำมีน้อยเกินคุณสมบัติของภิกษุเปรียบด้วยม้าอาชาในสามอย่างหนึ่ง มีศีลเปรียบเหมือนม้ามีสีงาม2ภาคเพียรสม่ำเสมอเปรียบเหมือนม้ากำลังดีสรู้อริยสัจเปรียบเหมือนม้ามีฝีเท้าเร็วภิกษุเปรียบเหมือนผ้าสามชนิดหนึ่งทุศีลมีธรรมะสามเรียบเหมือนผ้าสีไม่งามสอง ให้ทุกแก่คนอื่นเปรียบเหมือนผ้าเนื้อหยาบ 3. ทมทำทายาทานของทายกให้มีอานิสงส์น้อยเปรียบเหมือนผ้าราคาต่ำไม่มีความอิ่มในสามอย่าง 1. ่ไม่อิ่มในการนอน 2. ไม่อิ่มในการดื่มสุราเมรยัยไม่อิ่มในการเสพเมตุนธรรม เทคนิคการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าสามอย่างหนึ่งพิน ญ, ญายะท่งแสดงเพื่อให้ผู้ฟังรู้เห็นในสิ่งที่ควรเห็นสองสนิทานังส่งแสดงธรรมมีเหตุมีผลที่อาจรองตามให้เห็นจริงได้สสัพปาติหาริยังส่งแสดงธรรมะมีปาฏิหารคือปฏิบัติตามได้รับผลจริง บุคคลสามจำพวก 1. บุคคลเปรียบด้วยรอยขีดในศิลา 2. บุคคลเปรียบด้วยรอยขีดบนแผ่นดิน 3. บุคคลเปรียบด้วยรอยขีดในน้ำคุณสมบัติของพระเปรียบนักรบสามประการ 1. ทูเรปาตีกำหนดรู้ขันห้าดุดนักรบที่ยิงได้ไกล 2. อักขณะเวทีรู้แจ้งอริยสัจดุดนักรบยิงได้เร็วและแม่นยำ 3. ามมะหาโตกายะสะปัธาเลตาทำลายอวิชชาดุดนักรบทำลายค่าศึกมากมายด้วยกำลังคนน้อยคุณสมบัติของมิตรสามประการ 1. ให้สิ่งที่ให้ได้ยาก 2. ทำสิ่งที่ทําได้ยาก 3. อดทนสิ่งที่ทําได้ยากคุณสมบัติของภิกษุเปรียบม้าดีสามชนิดหนึ่งรู้อริยสัจเวลาถูกถามปัญหาในอภิธรรมอภิวินัยตอบตะกุกตะกักไม่มีลาปัจจัยเปรียบเหมือนม้าฝีเท้าดีสีไม่สวยสูงไม่ได้สัดส่วน 2. รู้อริยสัจถูกถามปัญหาตอบได้แต่ไม่มีลาบปัจจัยเปรียบเหมือนม้าฝีเท้าดีสีสวยแต่สูงไม่ได้สัสดส่วน 3. รู้อริยสัจถูกถามปัญหาตอบได้และมีลาบสการะเปรียบเหมือนม้าฝีเท้าดีสีสวยและสูงได้สัสดส่วนปฏิปทาสามทางหนึ่ง ปฏิปทาหมวกมุ่นในกาม 2. ปฏิปทาทรมานตน 3. ปฏิปทาสายกลาง